การพ่อเก็บอารมครั้งนี้สําหรับผมแล้วรู้สึกแปลกที่สุดเท่าที่ผ่านมาทุกครั้งที่เก็บอารมหลวงพ่อไม่ได้ไปคุมนะสมมติจะเข้ากับอาจารย์คมกิจอาจารย์รงศินป์อาจาร์พงศ์ที่แปลกก็คือรูปแบบหลวงพ่อไม่เหมือนไม่เหมือนที่ผ่านมาแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะอยู่บหลวงพ่อแต่ผมว่าดีนะ เปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะผมไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากอยู่แล้วนะแต่ว่าบางเรื่องมันก็ไม่ถูกใจเนาะคิดว่าทุกคนอาจจะเหมือนมันเหมือนกันนะบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไเลยไม่รู้ว่าก้าวหน้าแข่ไหนไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าการมาเข้าค่ายครั้งนี้มันตื่นตื่นยังไงไม่รู้นะมันสัมผัสแล้วมันตื่นเต้นเหมือนแต่ก่อนน่ะไม่รู้เป็นอะไรก็อยากจะถามหลวงพ่อเหมือนกัน มันก็รู้สึกอยู่ครับความรู้สึกก็ชัดเจนดีอยู่บางครั้งกลับไปหลงกับปัญหาเก่าเก่าก็มีเพราะว่ามันขาดความตอ่อเนื่องบางทีเราก็เหมือนคนใหม่เลยนะเหมือนมาเริ่มต้นใหม่มาก็เจอปัญหาเก่าเก่ า, เ, กาเดิมๆความคิดความง่วงวันที่หลวงพ่อไปเดินไปหาไปเจอผมหลับพอดีเลย <laughs> นั่งหลับ <laughs> แต่หลับใน <laughs> เป็นการหลับเบื้องต้น <laughs> ตามหลักแล้วคอจะพับะถ้าหลับนานแต่ผมจะไม่ดีู่นานนะ อ, อย่างมากสงครั้งนั่นแหละผมต้องลุกแล้ววันนี้หลวงพ่อไปตรงยังหวามากเลยขุยยังแปลกใจขุยาดได้ไงที่จริงมันจะไวมากนะหูเนี่ยอืหลวงพ่อคุยกับท่านเอกแล้วผมน่าจะได้ยินได้ั้ำแต่ทํำไมมันลึกจริงเลยทั้ง น, นี้คอก็ไม่ตกนะเหลวงพ่อยืนอยู่ข้างๆมันตกใจไหอ หลวงพ่อเลยบอกให้เดินไปดูที่ข้างหน้าดูงั้นผมก็เลยขอหลวงพ่อให้ผมย้ายหลวงพ่อบอกให้เดินไปดูก่อนแกง่วงไปกับท่านเอกสองคนแหละแก <c oughs> <c oughs> แก้ได้ครับนี่แหละการเปลี่ยนแปลงบางทีมันทำให้จิตเราตื่นนะ <c oughs> ขนาดนั้นเราอาจไม่รู้สึกตัวหรอกแต่พอเรากลับมาปั๊บเราจะรู้สึกว่าจิตของเรามันมันเปลี่ยนนะความรู้สึกตัวบางทีมันช้ามันเร็วนะ มันไม่คงที่สรุปคือมันก็ยังอ่อนอยู่นะครับแต่อาลมรูปน้ําเนี่ยผมคิดว่าผมรู้อยอารมณ์ปรมัดก็น่าจะบางๆนะนะหลวงพ่อสัมผัสแล้วมันก็บเมที่มันเป็นเองตื่นนอนมาเงี้ยคือโดนฝึกมาอย่างนั้นเนะาะจ้างกองกิจคืเ อ, อเริ่มตากันมารู้สึกตัวขยับตัวเนี่ยให้รู้เลยเก็บพ่อห่มเก็บที่นอนอย่างเงี้เป็นตน้นออกจากกดให้รู้สักครั้งหนึง่ง แปลงฟันรู้สักครั้งหนึง่งประมาณนี้นะครับแต่ก่อนไปเก็บเข้าวค่ายอยู่ที่เขาใหญ่ผมรู้สึกว่าผมได้อารมณ์ดีมากเลยนะอยู่ในป่าอยู่คืออยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยครับเจ็ดวันก็ออกมาวันพระนะสอบอารมณ์ทีหนึง่งท่านก็เดินมาเดินมาสอบอารมณ์กับที่เหมือนกันนะครับแต่ว่า เราก็บอกเหมือ น, น, น, นเหมือนเหมือนเรนดอบอกนฮะมีปัญหาอะไรทุกวันทุกวนคือต้องถามต้องถามเลยฮะบายใจกก็มาแก้ให้เราคือถ้าแก้ให้แล้วมันหลุดไปเลยเราก็เดินหน้าต่อคือไปเจอปัญหาใหม่เลวก็ถามไปเรื่อยอย่างนี้แหละแล้วมันก็ได้อารมณ์ทำแล้วมมีความสุข ไ, ได้อารมณ์ยิ่งเดินยิ่งเพลิน<ม>เพลินจริงมานะมากต้ก่อนเข้าไข่ผมต้องสมาทานด้วย อาจารย์กิตท่านบอกว่าใครจะใจถึงสมาทานบัางผมเลยยกมือเลยนะสมาทานไม่นอนอ <c oughs> ไม่หลับไม่เสีบการหลับมันนะมจะนั่งหรือจะนอนอยังไงก็ช่างแหลนะนะทําได้แล้วมันกําลังใจมันดีเนาะได้ลงยิ่งเดินก็ยิ่งสนุกโดยเฉพาะช่วงตอนเช้าตื่นเช้ามานะครับผมคิดถึงตอนที่ผมอยู่ข้างเขาเก่าแต่นี้หลวงพ่อตื่นมาหลวงพ่อพาเดินขึ้นเขา แต่ก่อนที่เก็บารมเนี่ยตื่นมาเนี่ยช่วงเนี้ยสําคัญมากล้างหน้าเสร็จปั๊บนั่งสร้างหังวยันสว่างเลยมันจะไม่ง่วงครับช่วงนี้ตอนเช้าเนี่ ย, อยพอเราได้นอนแล้วต้องนั่งจนสว่างเลยนะสว่างเขก็ลงมาดับเทียนพอดับเทียนเสร็จก็เดินต่อมันเห็นรูปน้ําชัดมากนั้นเห็นความคิดเห็นเวทนาออกไปก็เก็บความรู้สึกตัวแบบน่ารูปแบบน่ะ ที่น่าจะเรียกว่าปรามัดอะไรกว่านี้หูสัมผัสก็รู้ตาสัมผัสก็รู้มันเป็นเองนะบางทีแต่ผมไม่ถีหลอกนานๆผมจะเป็นเมื่อกต่ช่วงที่ปฏิบัติอยู่หรือช่วงเก็บเก็บบรมอยู่จะเป็นบ่อยคือมันตั้งใจเพราะฉะนั้นมันจะตั้งใจมากแต่ทีนี้มันต่างกันเยอะเลยอืคผมพ่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยมากแต่ก็ดีครับ บางองค์บางท่านก็หงุดหงิดปฏิฆะอยู่นั่นแบบเนี่ยแล้วมันเป็นอารมณ์อะอารมณ์คือครูบาอาจารย์ก็บอกนะให้เฝ้าดูนะดูกายดูใจมันจะพลิกอยู่อย่างนี้แหละการเฝ้าดูการมาปฏิบัติตามคือการมาศึกษาตัวเองไวาอย่างนั้นนะดูเวทนาทางกายดูเวทนาทางจิตโดยเพะทางจิตเนอืยเดี๋ยวมันก็ขยันเดี๋ยวมันก็ขี้เกียจนะ เดี๋ยวมันก็ฮึกเกิลเดี๋ยวมันก็ขดโห่เดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกอยู่ด้วยกันน่ะครับถ้าเฝ้าดูแล้วมันจะเห็นความไม่เที่ยงของมันน่ะมันก็แค่นั้นเองวันวนหนึ่งเป็นทุกวันนะก็เป็นอย่างงั้นอย่างที่เราเข้าไปเป็นเนี่ยมันมันทําให้เราทุกข์มากกับตรงนี้แหละนะครูบาอาจารย์ให้เราดูตรงนี้นะระวังให้มันเป็นถ้าเห็นแล้วมันวางได้นะที่วางไม่ได้คือมันไม่เห็นนี่แหละมันเข้าไปเป็นด้วยก็ที่นี่ก็ ภาพรวมก็ดีอาหารผมก็เพิ่งมาเจอที่นี่มันเป็นอาหารเจครั้งแรกผมว่าผมฉันได้เยอะอยู่นะแต่ว่ามันจะหิวเร็วเพราะว่ามันน่าจะเป็นพวกผักพวกอะไรไม่ได้ไม่ใช่เนื้อสัตว์เลยตอนนี้แต่ก็เกิดแต่ก็ไม่ถึงกับทรมานนะครับเพราะว่าทุกวันฉันข้าวผมจะนมมาได้กล่องหนึ่งอหอยเบื่อตอนเย็นก็ฉันไปแล้วแหละนะคือเลิกไปก็ไปนอนเลย ก็พอดีเลยไม่ถึงกับทรมานมันก็ปรับตัวได้นะหลายวันแล้ว<ม>ที่พักก็เรียว่าเนาะสบายที่สุดแล้วมีไฟผมมีหลอดยนอนใช้คนเดียว <c oughs> กับทนากไม่ต้องใช้เทียนนะสบายมากเ <c oughs> พราะที่ ม, าามันผ่านมาดูแต่ในป่าในดงนะเราไม่เห็นกันด้วยอยู่ห่างกันด้วยคือเราต้องรับผิดชอบตัวเองมีวินัยกับตัวเองนะไม่งั้นคูบาาจารก็ไม่ให้ออกไปไกลโดยเฉพาะคนใหม่ ต้องอยู่กับหมูคนนั้นหรือไมก่ก็อยู่เป็นกลุ่มไปเลยนะอยู่ข้างนอกก่อนนะสักห้าวันหรือเจ็ดวันแล้วค่อยขยับเข้าไปประมาณนั้นก้ <9 S 1> นาวหน้าไม่ก้าวหน้าก็ไม่รู้อะเพรอะแต่ว่าไอความรู้สึกมันก็มีอยู่ครับก็ยังปฏิบัติต่ออยู่เหมือนมาข้อสนิมมันะครับมันก็เร็วขึ้นอยู่ครับ เพราะว่ามีประสบการณ์เก่าพอจะหาทางออกแก้ไขได้อยู่ก็ในช่วงเชื่อมต่อแจนแดงทรมานานนะนะในช่วงใหม่ๆเนี่ยมันจะได้อารมณ์ดีแล้วอารมณ์เข้มแต่พอนานเขานานเข้าเราไม่เคยทำประจำเนี่ยอารมณ์ตัวนั้นก็จืดไปแต่ว่ามันก็ยังจำลักษณะมาได้อยู่ว่าอารมณ์รูปนามเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ความฝึกตัวมันก็ดีกว่าคนที่ยังไม่เคยทำคือมันจะรู้ลักษณะอาการแล้วก็ถ้าเราได้ทำประจาทำเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์ตัวนี้มันก็จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนต้นไม้นะในช่วงที่มันปลูกใหม่ๆมันจะขึ้นไวพอมันโตขึ้นโตขึ้นโ ต, ข, นตขึ้นกินเติบโตมันก็จะช้าลงช้าลงเรื่อยๆเพราะต้องการอย่าง ต้องการอย่างลากลึกลงไปลึกลงไปอารมณ์รูปนามเนี่ยเปิดเสมือนต้นไม้ที่เพาะงอกแล้วเป็นต้นกล้าอยู่เป็นะปต้นกล้าจะอยู่ในเพือนเพาะชำนี่ถือว่าเป็นอารมณ์รูปนามแล้แต่อารมณ์ประมัดหมายถึงว่าเอาต้นกล้าที่เพาะชําแล้วเนี่ยเอาไปปลูกแยกเอาไปปลูกต่างหากซึ่งต้งต้องหากินเองและทีนี้ ไอ้ตอนที่มาอยู่ในเรือนพ่อชําอยู่ในถุงเนี่ยก็อาศัยร ด, ดน้ําใส่ปุ๋ยจากเจ้าของนะร ด, ดน้ําทุกวันแล้วก็บังแดดบับงฝนบังร่มให้ด้วยเขาอยู่ในเรือนพ่อชําแต่พอเป็นอารมณ์ปรมาิตเนี่ยเหมือนแยกเอาตัวต้นกล้าที่อยู่ในเรือนพ่อชําออกไปปลูกในไร่ในสวนที่เตรียมเอาไว้ซึ่งจะต้อง เชิญแดดเผชิญฝนเผชิญลมละที่นี่ไม่มีตัวบงังนะบางครั้งเจ้าของสวนก็ยังอาศัยดามไว้อยู่ฝนะักหลักดามเอาไว้กลัวมลมแรงมันจะไปเขย่าต้นกลัวรากจะไม่ติดนะเป็นนั้นเป็นอารมณ์ประมาทซึ่งจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ในทุกรูปแบบรูปนามก็ยังมีเลือก สถานการเลือกสิ่งเวดล้อมนะเลือกที่จะทำตามรูปแบบให้มากขึ้นนะความสัมพันธ์ลักษณะงั้นนั่นหมายถึงว่าในสภาวะที่เป็นนามธรรมก็คืออารมณ์รูปนามหมายถึงว่าเราเลือลึกรู้ได้อย่างน้อยในร้อยความคิดเนี่ยเราตามได้ถึงยี่สิบห้าความคิดขึ้นไปว่าเรารู้เราคิดอะไร ในร้อยนาทีเนี่ยเราสามารถตามรู้ตัวเองได้ถึงยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นอารมณ์รูปนามล ะ, ะถ้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือเข้าเขตอารมณ์ประมาทิเราเคลื่อนไหวร้อยครั้งเนี่ยเรารู้สึกตัวถึงห้าสิบครั้งขึ้นไปเนี่ยถือว่าเข้าสู่เขตอารมณ์ปรมาสทิแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ได้ห้าสิบวันพรุ่งนี้เหลือสิบอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องห้าสิบวันห้าสิบ ขึ้นทุกวันนะน่ะหรือว่าวันนี้เราได้ยี่สิบห้าวันพรุ่งนี้เหลือห้าอย่างนี้ก็รูปนามก็ยังไม่คงที่หมายก็ว่ายัางต่ําสุดเนี่ยต้องไม่เกินยี่เปอเซอารมณ์รูปนามในวันทุกวันเนี่ยมันจะตกต่ําไม่ต่ากว่ายี่้าเปเซนตแต่สูงขึ้นไปมันอาจจะเป็นร้อยบางวันแต่ว่าเวลามันตกขึ้นมายันอยู่ที่ยีบห้านะแต่ถ้าเป็นอารมณ์ประมัด ยันอยู่ที่ห้าสิบถ้าตกลงมาก็ไปต่ํากว่าห้าสิบมีแต่ขึ้นไปถึงร้อยเนี่ถือว่าเป็นอารมณ์ ป, ปรามัดนะดูกันตรงนั้นว่าจะทจํากิจการการเคลื่อนไหวเรื่อต่างๆนระู้สึกตัวนะสมมุติว่าในสิบสองชั่วโมงเนี่ยเรารู้สึกตัวได้ถึงถ้าเป็นอารมณ์รูปนามได้ถึงสามชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่ารูปนามแต่ถ้าเป็นปรามัด ต, ต้อง สิบสองชั่วโมงต้นรู้ครึ่งหนึ่งขึ้นไปหกชั่วโมงขึ้นไปอันนั้นนะโดยปประมาณคือหมายเพราะว่าเลิกเลิกเองได้นะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาเตือนมาบอกนะรู้ถูกรูกกผก้ผิดรู้พลาดตรงไหนรู้เผลอตรงไห น, ลไหนแล้วก็เรื่อยๆนะสลับเผลอบ้างเพลินบ้างเผลอบ้างเพลินบ้า ง, ง, งลืมบ้างหลงบ้างรู้บ้างสลับกันไปสลับแต่สรุปแล้วออกมาแล้วถ้าเป็นอารมณ์รูปนามในสิบชั่วโมงในสิบสองชั่วโมงก็ไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงขึ้นไป จะตกขนาดไหนก็ความรู้สึกตัวอยู่ที่สามชั่วโมงในสิบสองชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอารมณ์ประมัดก็ต้องหกชั่วโมงขึ้นดะนะแล้วก็สังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอแล้อารมณ์ประมัดเนี่ยอารมณ์เราจะเสียน้อยแต่อารมณ์รูปนามนี่เรายังมีโกรธยังมีโมโหอยู่ยังติดอารมณ์อยู่แต่ว่ามันมันรู้มันรู้ทันแต่อารมณ์ประมัิเนี่ยก็ยังมีอยู่ มีโกรธมีคุณเครื่องอยู่แต่มันหายไวปับ๊บกิจก็ค่อยสุ่ปกติได้ไวลักษณะของมันนะสังเกตต่อไปอท่านอู๋บางครับข่าวนวัตสกา ร, การพระมหาขราบพระเถรานุสเถระและพิสุทลุผมมาปฏิบัติที่นี่ก็คือเป็นการเก็บอารมณ์ครั้งที่สองจากที่วัดดอยวัดถ้ำไม่ได้เก็บอารมณ์นะมีอยู่ที่วัดดอยเก็บอารมณ์ของที่วัดดอยมันสภาพมันจะนิ่งกว่านี้ มาปฏิบัติที่นี่คือนั่งเป็นหลับอย่างเดียวต้องเดินอย่างเดียวไม่งั้นถ้านั่งหลับตลอดจนสภาพตอนนี้มันปรับสภาพได้นะคือก็รู้สึกตัวชัดขึ้นรู้สึกตัวชัดความคิดที่เข้ามาดูความคิดแล้วก็พิจารณาความคิดได้ได้มากขึ้นส่วนในเรื่องของปรมัภินั่นก็คือพยายามรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนเหมือนอย่างที่อาจารย์แดนท่านว่า เขาอย่างที่หลวงพ่อท่านเคยกล่าวว่าคือให้รู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็ตอนกําหนดรู้ลมหายใจขนาดกําลังจะหลับจนถึงขนาดนั้นเขาพยายามรู้อยู่ไงแต่ของผมคือผมจะไปกําหนดรู้ลมหายใจเข้าไปร่วมด้วยรวราไอ้ส่วนของเอเยวะที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมารับพอรบรู้ได้แล้วแต่ที่นี้่มันไปกาหนดรู้กับลมหายใจที่เข้าออกตลอดด้วยตรวไหนพอนึกได้ก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ ว่าอารมณ์การขึ้นไหวก็ยังเป็นปกติอยู่เลือกตรงไหนได้ก็ขับมากลับม า, บมาอยู่สภาพางั้นตอนเข้ามาแรกๆก็คือก็จะหลับตลอดนะนั่งหลักเบินอย่างเดียวจากที่หลวงพ่อเคยบอกว่าให้พยายามนั่งสร้างชังหวะให้เยอะๆเพราะว่ามันจะได้เห็นสภาพของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ว่านั่งเรามันก็นั่งหลับตลอดนะมันไม่เหมือนอยู่ที่วัดดอยวัดดอยนั่คือนั่งได้ นั่งเปลี่ยนท่าเปรียบยาบดิสิบสองท่างั้นเปลี่ยนได้แต่ว่าผอ ม, มานั่งที่นี่คือนั่งนั่งเก้าอี้ทีเดียวหลับยาวเลยเราผมหลับคือมันไม่หลับแค่ห้าทีสิบทีอย่างเอาุด้าย ท, ที่อาจารย์พงศ์มาปุกนะั่นคือหลับสองชั่วโมงอ่ะเพรา ะ, ะนั้นก็เลยเปลี่ยนว่าเอาไปเป็นเดินแต่ช่วงหลังๆมาก็สร้างจังหวะสร้างจังหวะแต่นั่งนี่นแหละสร้างจังหวะนั่งแล้วก็พยายามเน้นรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นตอนนั้นคือมันเพลินมันเพลินกับการนั่งไป มันเพลินการนั่งมันก็เลยเผลอหลับตอนนี้พอมารู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นมาสร้างจังหวะให้มันเข้มแข็งขึ้นพอมันเริ่มจะงัวเงียมากระตุ้นในการสร้างจังหวะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนยบลดมันก็จะทําให้มันคลายลงอาการอาการง่วงนอนตอนนี้ก็จะลดลงนอกจากเจตนากินอนเองเหมือนหลังหลังเพลเนี้ยคือมันนั่งย่อยีกสักพักหนึ่งเนี้ยพอย่อยแล้วมันไม่ไหวแล้วนอนเลยนอนเลยตื่นมาก็เดินได้ปกติ นั่งสร้างจังหวะไพโบตีที่การปฏิบัติของผมก็คือจะเดินร้อยรอบนั่งสร้างจังหวะสามร้อยครั้งสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้คือไม่ไม่ได้เอาตามที่หลวงพ่อท่านว่าว่าให้นั่งสร้างจังหวเยอะอันนี้คือเอาเอาไปอย่างละครึ่งเลยพ่าสร้างจังหวะแล้วก็เดินจงกรมไปด้วย ส่วนในการการที่มันกำหนดรู้ลมหายใจก็เคยถามหลวงพ่อตั้งนานแล้วว่าที่มันกำหนดรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะมีผลดีไม่ดียังไงหลวงพ่อท่านก็เคยบอกว่ากําหนดรู้ว่าท่านนเคยใช้ในตอนออกกําลังกายแต่ตอนนี้ที่ผมถามคือตอนมันเริ่มกําหนดอากายเคลื่อนไหวไปแล้วทีนี้มันก็ไปกําหนดตามรู้ลมหายใจไปด้วยเมื่อไหร่ใจว่ามันติดกับลมหายใจ ก็เลยว่าแค่ผลเสียคืออารมณ์ที่มันกระทบแล้วมันแรงกลับไปแรงนี่เฉยก็เลยว่าไม่ได้ม่ได้ถือเป็นผลเสียอะไรก็อปล่อยไปอย่างั้นส่วนสภาพของทุกอย่าง ท, ท, ท, ที่ที่มีในนี้มันก็จะเป็นสปายยายหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเจอที่อื่นมาก่อนแต่ว่าถ้าให้ทําอะไรก็ให้ทําแค่ทําก็ปฏิบัติแค่นั้นก็เราก็ทําเพื่อให้ได้ทําแค่นั้นไม่ได้ทําเพื่อจะหวังที่จะต้องได้บรรลุอะไรขนาดนั้นทําเพื่อให้ได้ทําเพราะนั้น ก็ทุกอย่างก็แล้วแต่หลวงพ่อจะพิจารณาในการเลือกจัดสั่งอยู่ครับก็ดูหลวงพอรักว่าเป็นยังไงบ้างมาเข้าค่ายยังไม่เคยเข้าค่ายเป็นเรื่องเป็นราวมา่ก่อนใช่ไหมนี่ขั้งแรกเป็นยังไงบ้างข้อกลางท่านพ่อมหาธิเล็กพุทธยา น, นโทูขึ้นทัศนก็ยังไม่เคยมาเข้าค่ายเลยนะหลวงพ่อจัดมานี้ก็ ตื่นเต้นมากไปหาที่ที่พักที่กลางเต็นพอดีไปที่ไปเจอหนทางคนเดินมันก็ไม่เหมาะหลวงพ่อก็าว่าออนั่งนี่งก็ดีนะออคนจะได้เห็นเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีพิดปิดไงเต็นมันไม่มีปิดเลยมันโล่งจ้งเลยนี่ผมก็พยายามที่ไม่ย้ายหรอก อ, อแล้วหลวงพ่อก็มาให้ย้ายย้ายก็ไม่หงุดหนิดอะไรนะสบายๆก็ไปจัดสรรเดี๋ยวไปดูให้หลวงพ่อก็ไปดูให้เอาตรงนี้นะ อ, อก็จัดตรงนี้มีห้องน้ำเสร็จเลยไอ้อที่นอนไม่ดีก็ไม่บ่นอะไรนะก็เต็มใจว่าเรามาเข้าข่ายใไหนๆก็มาแล้วมันก็ต้องให้ถึงที่สุด ผมก็พยายามทำดีที่สุดของพ่อที่ยังหลวงพ่อเตือนว่านั่งสั่งจังหวะไปเท่านั้นนะยี่สิบหรือสามสิบทุกสิบนาทีอะไรผมก็ทำไปทำไปก็หว่วงนิดหน่อยแล้วก็ทำจนจนถึงมาย้ายที่ใหม่ที่ข้ามไปฝั่งโน้นฝั่งที่ห้วยน้ำสวดตรงโน้นนะ่ะที่บนน่เนะี่ยก็รู้สึกได้อารมณ์ดีครับหลวงพ่อ รู้สึกว่ามันมันไม่ง่วงเลยทำได้ตลอดทำสร้างจังหวะได้แล้วก็เดินเดินได้มากแล้วถอยหน้าถอยหลังขึ้นเนินผมก็ถอยขึ้นได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันได้มันได้เยอะเลยลุงพ่อได้ชัเห็นได้ชัดเลยที่ที่มาครั้งนี้นะแล้วพวกอาหารการกินก็ดีครับ อ่าอาหารกันฉันอะไรก็พยายามฉันน้อยถ่าฉันมากมันจะง่วงตามหลวงพ่อบอกอะไรผมก็าตามหลวงพ่อบอกเรื่องนั้นแหละแล้วมันจะตื่นตัวตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาจะตื่นนอนเียงระครังป๊อปเนี่ยพูดถึงระครังแล้วให้ผมตีระครังครั้งแรกเขาบอกตีไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยเอ้ผมก็พยายามที่เคาะก่ขอนแล้ว สีครั้งแรกก็ปุ ก, ก่อนอย่าให้เขาตกใจไงหลวงพ่อเต็งหลวงพ่อมาถึงให้รัวเลยนะตุ้งตุ้งตุงงตุง้โอ้โหไม่ไหวคนตกใจอะ่ะอย่งอย่างด็อกเตอร์หน้าที่ก็ไม่ใช่นะด็อกเตอร์มาเล่นเลยจิ้วหลวงพ่อมาผมก็กลัวหลวงพ่อว่าควจะว่าให้เขามาไม่ทันด็อกเตอร์ใส่ไปแล้วว่ะปังปังปังปังโอ้โหเป็นยังไงนั้น ที่นี้ก็ภูมิใจในตัวเองอย่างหนึ่งว่าหลวงพ่อคอยจะจี้พอเสียงอะไรมันแคปเราตื่นเลยตื่นตัวเลยล้วกลัวหลวงพ่อมาง่วงนอนอง่วงง น, อน้องงงมันง่วงเหยือมันง่วงกันล้างหน้าไปแล้วกินน้ำดื่มน้ำเยอะเยอะดื่มน้ำมากมากเลยอันนี้ช่วยได้เลยนะใช่ไหมมากเลยดื่มน้ำมากๆเลยพอาฉันน้อยๆที่ที่ผมเป็นอยู่ก็ มันมันร้อนหน้าอกค่ะก็จีบหน้าอกแน่นหน้าอกไงคลางคืนต้องห่มผ้าหนาะๆนะแล้วก็พอมาเจอหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ฉันผลไม้ก่อนก่อนจะฉันอย่างอื่นเช่นฉันข้าวผมก็ทำตามโอ้ดีครับหลวงพ่อหายเลยไ อ, ทอ้ที่ร้อนที่เหมือนปุ๊บุ๊มันก็หายหมดเลยแล้วที่เป็นมือที่ชาก็หาย่หลวงพ่อ แล้วพยายามยกมือสร้างมือช่างจังหวะไปป่อยเนี่ยมันมันเป็นอัตโนมัติเลยอะมันหายไปโดยปริยายเลยหลวงพ่อแล้วก็ภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเออได้ตามหลวงพ่อนี่ภูมิใจมากเลยนะเออไม่งั้นก็เป็นสเปะสปะไปไหนก็ไม่รู้ล่ะพ่อต้องขอบคุณคุณยมรินลาสุดใจกินครอบครัวสุดใจกินมากๆเลยผมก็นึกถึงเวลานั่งทีทย ผมจะกราบก่อนก่อนจะนั่งกราบเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วก็ขอว่าเราจะใช้สถานที่นี้ให้ได้เท่านี้เท่านีอ้อย่างคุูบาอาจารย์สอนนะอ่าสอนอย่างนี้ว่าทุกห้านาทีทุกสิบนาทีต้องเปลี่ยนไม่งั้นมันจะง่วงเออจริงเฮตจริงเหมือนคุูบาอาจารย์สอนเลยก็เอาอ น, นั้นมาเตือนสติอยู่เสมอล่ะพ่ อ, อทีนี้ บางทีก็สิบนาทีบางทีก็นั่งไปครึ่งชั่วโมงก็มีพ่อครึ่งชั่วโมงก็มีเปลี่ยนเออวันนี้ได้กี่ชั่วโมงนะเออมานั่งทบทวนจดไว้เออวันนี้ตั้งแต่สิบสิบโมงยี่สิบสิบโมงสี่สิบไปจนถึงสิบหกโมงสามสิบอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราก็เก็บได้เยอะนะเออเก็บได้เยอะก็จดจดจดโน้ตไว้เออ ก, ก็ก็ดีนุ่งพ่อ ก็ภูมิใจตรงนี้นะเออที่ใครที่วังง่วงเนี่ยต้องแก้ด้วยยังไงแก้ด้วยดื่มน้ำมากมากไม่งั้นก็ล้างหน้าไปเลยไม่งั้นก็แย่เอาไฟมาเล่นบ้างจุดไฟเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเออจะถูกหรือผิดไม่รู้นะอืมผมก็ทําไม่ไม่ไม่ไมทําดีที่สุดแล้วหลวงพ่ออย่าไม่คิดอะไรเลย พอเห็นบุบลนฟ้าก็ดูใบไม้สีเขียวๆสร้างจังหวังขอยสร้างจังหวะไปเพลินดีหลวงพ่อเพลินมากเลยก็เตือนสติเราได้เสมอเสมอเลยนะักก้าวย่างไปแล้วก็รู้ว่าโอ้เขาบอกเออท่านบอกว่าให้ถอยบ้างอาจ ะ, ะเขิบด้านด้านข้างด้านเฉียงแล้วก็มันมีเนินนี่บางทีก็ยมอ่า รวยเนี่ยเขาจะไปทําที่นอนให้บอกไม่ช่องก็ว่าเอาหลวงพ่อให้นอนอย่างนี้แหละมันจะไหลก็ให้มันไหลมันจะขึ้นก็ให้มันขึ้น <c oughs> ผมพูดเองไม่เหรอจะถูกก็ปบบนั้นหรือทีนี้พอตอนตอนประมาณสักที่ย ง, งคืนมันตื่นแล้วนะมันไหลลงมาหลวงพ่อมันเนินอย่างนี้นะมันไหลลงมาเออมันก็เตือนสติเราได้นี่เราไม่ต้องให้มันลาบหรอกมันเนินมันจะไม่ตื่นพอละครังปั ง, งโอ้โหโหลวงพ่อมาอีกแล้วอาสา ถ้าเป็นคนอาสาหลวงพ่อหลว ง, พ, ลงพ่อไม่ตีแล้วใช้ไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอนใหม่มาใหม่ ม, มาถึงก็ลัวเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะออพวกตกใจกันหมดเลยที่นี่ผมเคยตีหลวงพ่อที่อยู่บังไทยนอกวับดบังไทยนอกเขาอาจารย์ให้ไปตีตีก็ตีเป้งพรามันมันใช้เสาตีใช่ไหมผมก็เอาอันนั้นมาตีแล้วก็ให้มันกระครังให้มันเสียงมันหายไปแล้วก็ ตัเข้าไปให้มันเสียงหายไปก้องก่อนจะตีเขาก็ให้ไหวก่อนนั่งพ่อให้กลาวก่อนเจ้าที่เจ้าทางให้เทวดามารักษาหมู่คณะเราที่มาเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ผมก็เล่นไปอย่าง น, านาั้นนะก็ตีปัน้นหลวงพ่ อ, อยังใช้ไม่ได้เลย <laughs> อย่างว่าใช้ไม่ได้นี่เขาก็ทดสอบอารมณ์เราใช่ไหมพ่อ หลวงพ่ผมวาเอ๊หลวงพ่อทดสอบอารมณ์แน่นอนเลยพรุ่งนี้มาใหม่นะใช่ไหมไรครับครับครับครับเฮ้เออแล้วแล้วย้ายที่อีกเอ๊ะผมก็ใกล้ห้องน้ำเราคนแก่เนาะใกล้ห้องน้ําดีอย่างเลยเอ๊ะทีนี้มันไม่ฉี่เลยเฮะมันไม่ปัสสาวะเลยกลคืนนี่หลวงพ่อ บ, บุญบารมีหลวงพ่อคุ้มจริงๆก่อนนอนก็ต้องไหว้นะ ไหว่เจ้าที่เจ้าทางเจา้าป่าเจ้าเขาหมดเลยเออให้ปกปักรักษาคณนะที่เข้าค่ายนี้เออผมป้าอย่างนั้นหลวงพ่อจะถูกป้าเหมือนรู้นะเออว่าหลวงพ่อมาหารีเลดเนาะอ่าคูบายคูบาหลวงพ่อเทียนเรานะอะไรเงี้ยหลวงพ่อล่าตาทิพนะอะไรทํานองนี้หลวงพอ่อก็สภาวะมันก็ได้ได้อารมณ์ดีอย่างพอ่อก็มันมีอาจจะไม่มีเลยจะตื่นเต้นมันก็ทำไปเรื่อยเรืยื่อยืยตามหลวงพ่อบอกอะไรครับ ก็ไม่มีอะไรที่จะที่จะนอกประเด็นนะที่จะนอกเหนือไปกว่านั้นหลวงพ่อสาธุครับครับทวายความกรุกรงพ่อมหาผู้เป็นประธานคณะสงฆ์ทุกทุกลูกก็ผ่านการกรค็คายมาสี่ครั้งครับก็เขียนลงในใบว่าสี่ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าก็ไม่กล้าเขียนลงการเหียวไายครั้งนี้ก็ครั้งก่อนๆก็เจ็บโยที่อยู่ที่ระยองบ้างอุบลบ้างาเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดการมาที่ก็พะเยาครั้งนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะขึ้ น, นครับจากการสังเกตการในจังกลมทุกวันตั้งแต่ตื่นนอน จนหลับนอนแล้วก็เดินขึ้นบนเขาตอนเดินลงก็สังเกตตอนหลวงพ่อเดินเนาะทีก็เห็นท่านเดินเท้าทบพื้นปับป๊บปั๊บก็สังเกตว่าท่านเดินยังไงก็เลยอ่ะทำไมถึงสังเกตท่านล่ะทำไ ม, ไมถึงไม่สังเกตตัวเองก็บอกงี้ก็เลยเดินไปเดินไปเล่นบางทีเท้ามันไปโดนใบไม้บ้างป๊บ ออนี่เหลือความรู้สึกตัวใช่อย่างนี้หรือเปล่าบางทีมันก็บางทีเดินลงมาเนาะบนเขามันสัมผัสใบไม้บ้างสัมผัสพื้นบ้างจีงไม้บ้างอะไรต่างๆนานามันก็ความรู้สึกก็แตกต่างกันไปอ๋อใช่อย่างนี้หรือเปล่าความรู้สึกตัวไม่น่าหลวงพ่อถึงพาเดินรัดหน้ารัดหลังเดินเหยียบใบไม้แต่ความรู้สึกของพ่าเองบางทีมันก็ไม่อยากจะเดินเหยียบอะไรไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเนาะ ที่นี้หลงพ่อพาเปลี่ยนแปลงเดินเหยียดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเออท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเริ่มยอมรับธรรมชาติได้เยอะขึ้นแต่ก่อนสึกว่าจะปฏิเสธธรรมชาติ บ, าบังคับเนี่ยทุกค่ชอบบังคั บ, บค่ายนี้รู้สึกว่าน่าจะโอเคแล้วก็เดินลงมาอ่าชันข้าวอะไรเสร็จก็พยายามจะไม่พูดนะครับพยายามจะไม่พูด ก็พยายามสัรวมข่มใจตัวเองไว่พราะเป็นคนอที่เล่นชอบเล่นชอบจบอกเพื่อนกูบาร์จารุ่นพี่อย่างนี้ก็เดินจนมาถึงทิศพักก็ทําความเพียรต่อแปลงฟันอะไรเสร็จก็ทําความเพียรต่อหลวงพ่อก็บอกว่าเออความเพียรไม่ใช่จะทําในนรกจงกรมเออแล้วก็สังเกตตอนมันเผลอือตอนแปลงฟันบ้าง อย่างนี้ครับก็เดินออกมาที่ห้องน้าําก็สังเกตบ้างเผอบ้างบางทีมันระลึกไม่ได้ตอนนี้ไปถึงที่พักมันระลึกได้ถึงสาาัปค่ะตอนที่เดินมาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอแล้วก็ทําอะไรธุรสอนตัวเสร็จแล้วก็เดินจงกรมต่อที่จงกรมไปเดินจงกรมมาก็คิดนะครับคิดตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคิดพอมันเดินเตะต่อไม้ถึงรู้ว่ามันคิดโอ้ยี่เหลือความรู้สึกตัวรู้อย่างนี้เหรอแผ่วๆอย่างนี้เหล้ก็เดินไปก็เดินเหยียบลุ้มบ้าง ใบไม้อะไรบ้างนิดหน่อยก็เดินก็เดินไปหลวงพ่อมาหาก็บอกว่าเคยจําไว้ว่าท่านบอกว่าความรู้สึกตัวเราจะชาตอนไหนก็ได้อื<ม>ก็เลยวางใจแบบสบายๆหัวตัวเองก็ชอบบังคับนะก็เดินไปเดินกลับไปกลับมาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็บางทีบางความรู้สึกตัวนะครับมันไม่ชินอย่างนั่งตอนเนี้ยมันไม่ชินมันอยากจะดิ้นนะฮะอยากจะดิน้นอยากหาความรู้สึกตัวเดิมๆความรู้สึกตัวสบายๆ จริงแล้วอันนี้เ็เป็นความรู้สึกตัวหนึ่งเหมือนกันนี่ตอนเดินก็อยากจะให้รู้สึกตัวอ่าเหมือนเดิมที่เราเคยสัดได้จริงแล้วมันมีความต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดแต่เราก็อยากจะได้ความรู้สึกนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมก็เดินชิดบ้างฟุงสานบ้างฟุงซานบ้างแมันก็พอถึงประมาณบ่ายสามโมงก็เริ่มเบื่อเนาะเริ่มเบื่อความเบื่อเข้ามา แล้วเริ่มหาทางจะไปนั่งหรือจะไปยังไงไม่รู้เนาะมันมีความคิดหนึ่งมันพูดขึ้นมานะครับถึงบทเพลงหนึ่งของปูกสิทธิกรมีตั้งนานแล้วแหละนึกว่าเลี้ยวแรงยังพอมียังพอมีแรงอยู่อบอกนะก็เลยอ็เดินใส่เดินเดินตพุตตะพื้นเดินเปลี่ยนเดินหน้าถอยลงงังยื่นแหละนะฮบางทีก็จักไปนั่ง พอไปนั่งแล้วก็อยากจะนอนอยากจะเอ็นหลังนอนมันก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ให้นอนอะ <c oughs> จริงเหรอหลวงพ่อไม่นอนจริงเหรอเราลองนอนใหม่ไม่ได้ป้อ <c oughs> ก็ไม่นอนนะครับแต่ว่าอสองวันที่ผ่านมานอนอยู่แต่ก็ไป่หลับหรอกครับเพราะว่าก็ลองศึกษาดูครับเออจริงเหรอแต่มันก็เหลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นก็นั่งๆแต่ถ้าเรานั่งไม่ได้หรือมันเผลอมันเข้าไปในความคิดมากก็ เดินแต่สำนักจะก็จะเป็นนั่งอยู่ที่นู่นอยู่ที่ข้างบนมาครั้งล่าก็เน้นในการเดินบ้างนั่งในเปลี่ยนอียาบทในตอนพักเครื่องครับบางทีอลองศึกษาตอนนั่งเนี่เหยียดขาบ้างมองไกลๆบ้างมองดุกนั้นบ้างคนนี้บ้างก็ถือว่าอารมณ์ลุกน้ํารละมัดก็แต่ว่าคขาร